บุ๊กทูสามสิบสี่ซิโอชฮอรบนรถไฟดาร์ตาทร์นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับอินกตาทอริสเคเบเบอร์ลินมีราบดรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ ق ط าร چه موقع حرکت می‌کند؟ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับ قطار چه موقع به برلین میرسد؟ ขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ ببخشید اجازه هست عبور کنم؟ ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ فکر م ی ک ن م اینجا جای من است ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับเฟกช์มีคอน้ำโฉมอรุยะสันดาเลีมชัสเตอู้นอนอยู่ขบวนไหนครับคูเปีอบโคจสตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟคูเปียอบเดอร์เอ็นเตอร์เยการัสและรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ นนผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับมิธาบอลน์พอยน์ไปขอน้ำผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับมิธาบอลนา์สัตไปขผมขอมมานาขอนข้างบนได้ไหมครับมิธ า, าบอลบอลล์ไข เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่เขยเบมาร์สมีเรซิไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับซาฟาร์เบเบอร์ลินเชโมดัดทูลมีเคชัดรถไฟจะเข้าช้าไหมครับกัทอร์แทคีร์ดอรัคุณมีอะไรอ่านไหมครับชีซีเบราเยขอนแดนดอริ ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ Injami taban khoraqi ya nushi dani t a h i y คุณช่วยปลุกผมตอน7ดโมงได้ไหมครับ m ม m e น a s m a ร o s a t h ต l f bidar k o นีด